เมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนพวกเราคงจะได้ข่าวนะเขามีการเปิดให้ชมหนังเรื่องตำนานพนระนเรศวรฟรีน ะ, ะทั่วกรุงเทพที่มันเป็นข่าวก็เพราะว่าคนก็แห่เข้าไปเอาบัตรเรียกว่าล้นหลามแล้วก็บุ่นวายยุ่งเหยิง ไม่มีการเข้าคิวอะไรทั้งสิ้นนะที่เคยมีคิวก็แซงคิวกันวุ่นวายปั่นป่วยไปหมดก็มีการาถ่ายรูปนะเผยแพร่ลงตามสื่อต่างๆาภาพแบบนี้นี่พระนเรศวรถ้ามียานวิถีมาเห็นนี่ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะอาจจะดีใจเพราะหัวคนชมมากเลยคนสนใจมากเลย แต่เสียใจผมเพราะว่าคนไทยไม่มีความสามัคคีกันเลยนะไม่มีความร่วมแรงร่วมใจกันตัวใครตัวมันกันมากนะเรียกว่าไม่สนใจอะไรกันทั้งสิ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เลยมีการพูดกันนะถึงเรื่องพฤติกรรมของคนไทยจำนวนไม่น้อยนะที่ไม่รู้จักการเข้าคิวนะ อันนี้ก็เป็นปัญหากันมานานแล้วนะพวกเราเวลาเข้าห้องน้ำโดยพระผู้หญิงนี่ก็หลายคนก็คงเจอเหตุการณ์แบบนี้การเข้าคิวนี่มันเป็นของใหม่นะสำหรับคนไทยมันเป็นการมันมันเป็นวัฒนธรรมนะที่มาจากเมืองนอกที่เขาในเรื่องสิทธินะ สิทธิที่ว่าคือว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาหลังก็ได้หลังจะเป็นใครมาจากไหนมีสิทธิเท่ากันก็คือมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังก็ได้ทีหลังการแซงคิวนะั้นก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นแต่คนไทยเราเนะเรื่องสิทธินี่เราไม่ค่อยคุนนะเป็นของใหม่ ของไทยเรามันเป็นสังคมแบบที่อิงน้ำใจนะน้ำใจคือว่ า, ามาก่อนมาทีหลังก็อาจจะได้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนแก่เป็นเด็กหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนรู้จักกันนะก็มีน้ำใจกันอันนี้มันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะที่คนเรามีน้ำใจกัน แต่ว่าการเอาวัฒนธรรมน้ําใจมาใช้ในสังคมปัจจุบันนี้บางทีมันกลายเป็นการสร้างความทุกข์ระเบียดเบียนกันเพราะว่ามีน้ําใจนะแต่ขาดความเกรงใจสังคมไทยแต่ก่อนนี่น้ําใจกับความเกรงใจงนี่มาด้วยกันนะเช่นเราจะเรียกร้องน้ําใจจากใครเนี่ย เราก็ต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นด้วยอย่างคนที่เข้าคิวนี่มาทีหลังอาจจะเป็นคนแก่อาจจะเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนเข้าคิวก็อยากจะให้เพื่อนเนี่ย อ, อนุญาตให้แซงคิวได้พอเพื่อนไม่ยอมให้แซงคิวหรือว่าพอเพื่อนไม่ยอมให้มานั่งมายืนต่อท้ายก็หาว่าเพื่อนไม่มีน้ำใจ แต่ว่าลืมไปว่าไอ้น้ำใจกับเกรงใจต้องมาด้วยกันเราจะเรียกร้องน้ำใจจากใครเราก็ต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นด้วยถ้าคนไทยเดี๋ยวนี้นี่เราเรียกร้องน้ำใจจากกันและกันใครไม่ให้ก็หาว่าเขาไม่มีน้ำใจแต่ว่าเรากลับมองข้ามไม่มีความเกรงใจนะเฉะนั้นถ้าคนไทยเราเนี่ยเอาน้ำใจกับเกรงใจนี่มาใช้กับการเข้าคิวนี่มันก็ไม่มีปัญหานะ คนที่จะอนุญาตให้หรือคนที่จะยอมให้เพื่อนมามาต่อคิวหรือว่ามามายืนอยู่ข้างหน้านี่ถ้าเขารู้จักเกรงใจคนอื่นบ้างว่าเนี่ยทำแบบนี้นี่คนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ลำบากก็มันก็จะไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้นี่เราใช้เราเรียกร้องแต่น้ำใจแต่เราไม่มีความเกรงใจมันเป็น วัฒนธรรมแบบครึ่งคกลางๆก็เหมือนกับสิทธิอ่ะนะสิทธินี่เป็นของฝรั่งก็จริงแต่ว่าเขาก็มาคู่กับหน้าที่เรียกร้องสิทธิแต่ไม่ทําหน้าที่ก็ถือว่าไม่ถูกต้องสังคมฝรัง่งเขาก็มีมีสิ่งมาช่วยกํากับมันกันนะสิทธิกับหน้าที่ต้องมาด้วยกันของไทยเราเราจะบอกว่าสิทธิไม่เอาเราจะเอาน้ําใจแต่ว่ามันก็ต้องมีความเกรงใจกันด้วย แต่ว่าเด๋ยวนี้ความเกรงใจน้อยลงแล้วนะเราจะเรียกร้องแต่น้ำใจเห็นเพื่อนเข้าคิวเพื่อที่จะจ่ายค่าไฟนะก็ไปขอให้เขาเอาบินไปยัดใส่มือเขาบอกว่าช่วยใจ่ายให้ฉันด้วยนะพอเพื่อนไม่พอเพื่อนไม่เอาไม่รับนะเพราะเห็นว่ามัน เป็นการไปละเมิดสิทธทิของคนข้างหลังก็ไม่พอใจหาว่าเพื่อนไม่มีน้ำใจอันนี้ก็เป็นเพราะเขาขาดความเกรงใจนะเขาไม่รู้ว่าการที่เขาทาอย่างนั้นนี่มันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคนที่เข้ามาก่อนเขาก็เลยต้องอต้องรองคิวนานกว่าเราเดีย๋ยวนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการการ เวลาจะพูดถึงน้ำใจเนี่ยนะมันจะลืมอีกอันหนึ่งไปไม่ได้นะคือความเกงใจแล้วเดี๋ยวนี้ความเกงใจก็หายไปเรื่อยๆนในหมู่คนไทยแล้วก็เรียกร้องแต่น้ำใจกันมันก็ไม่ได้ที่จริงการเข้าคิวนี่มันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะการเข้าคิวนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่สิท ธ, ธิแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วย ก็คือฝึกให้รู้จักคอยฝึกให้รู้จักอดทนสังคมที่เขาชาวบ้านนี่ประชาชนเขารู้จักคอยอเ้ารู้จักเข้าคิวกันนี่นี่มักจะเป็นสังคมที่มีความเจริญเพราะว่าเขารู้จักอดทนเขารู้จักหักห้ามใจตัวเองไม่ใช่แค่เคารพสิทธิของคนอื่นเท่านั้นแต่ว่ารู้จัก อดทนอดกลั้นอย่างคนญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อมากนะในเรื่องการอดทนแล้วความอดทนของเขาก็แสดงออกด้วยการที่เข้าคิวกันยาวๆนะขนาดเกิดเหตุวิกฤตเส้นซนามิเมื่อสองสมปีก่อนผู้คนนี่ไม่มีข้าวไม่มีน้ำทางการก็มีการแจกข้าวแจกน้ำ คนก็มาเข้าคิวกันอย่างเป็นระเบียบคิวนี่ยาวเลยนะแถวนี่ยาวเลยเป็นร้อยเมตรเลยแล้วก็มันทำให้เขาเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วมากเพราะว่าเขามีความรู้จักอดทนรู้จักรอคอยรู้จักเคารพสิทธิของกันและกันสอนมาตั้งแต่เล็กนะไม่ใช่แค่เข้าคิวนะคอยไฟไฟเขียวกันเหมือนกันนะ คนญี่ปุ่นนี่ตามเมืองใหญ่ๆนี่เวลาเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าเกิดไฟแดงเมื่อไหร่เขาหยุดเลยแล้วมันจะแดงนานเท่าไหร่เขาก็คอยได้ถึงแม้ถนนนี่ว่างไม่มีรถเขาก็คอยจนกว่าไฟจะเขียวบางทีถนนก็แค่สามเมตรห้าเมตรถนนเล็กๆเรียวเป็นซอยก็แล้วกันนะแต่บางทีมันมีรถเข้ารถออกเยอะรถก็ต้องมีไฟมีไฟจราจรนะเขาก็คอย ให้เราคนไทยนี่ก็เห็นแปลกนะว่ารถไม่มีแล้วทําไมไม่ไม่เดินไม่ข้ามถนนอันนี้เพราะว่าเขาฝึกมาเป็นนิสัยเป็นวัฒนธรรมดังนคนที่เขารู้จักคอยเนี่ยเขาก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งก็ก็จะมีความเพียรเขาก็จะมีวินยัยให้ความเพียรความมีวินยัยความรู้จักหักห้ามใจนี่มันก็ช่วยทําให้เขาประสบความเจริญได้อันนั้นคือความเจริญทั้งโลก แต่ความเจริญทางธรรมนี่ก็ต้องใช้คุณสมบัติอย่างเดียวกันนะคือความเพียรความอดทนความรู้จักคอยหักห้ามใจถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางโลกหรือความสุขทางธรรมไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางโลกหรือความเจริญทางธรรมก็ไม่มีทางนะคนที่หักห้ามใจไม่ได้นี่ก็จะมีปัญหาเยอะเช่นติดเหล้าติดยาติดอบายามุก หรือว่ากินมากจนกระทั่งตัวอ้วนเต็มไปด้วยโรคนะแล้วก็ไม่ขยันทำงานเอาแต่เล่นเล่นอะไรเล่นเกมติดเกมกันหนักมากนะผงได้ขาวนะเมื่อสองสามวันก่อนนี่มีเด็กอายุสิบสามนี่เอาโทรศัพท์แม่ไปใช้เล่นเกมคุกกี่ลันไม่กี่วันนะปราะว่าเสียเงินไป ค่าเสียค่าโทรศัพท์ไปประมาณสองแสนบาทอีกไลน์หนึ่งอายุสิบแปดเอาโทรศัพท์แม่ไปเล่นเหมือนกันแค่สี่วันเท่านั้นแหละพอเขาเรียกเก็บเงินเขาเรียกเท่าไหร่หกแสนบาทนะอันนี้เรียกว่าหักห้ามใจไม่อยู่นะมันก็เลยติดกับเกมเพราะติดเกมแล้วก็นี่สินก็ตามม า, าความเจริญทางโลกนี่ก็ หวังไม่ได้เลยนะถ้าไ ม, ไม่ไม่รู้จักคอยไม่รู้จักอดทนไม่รู้จักหักห้ามใจและสิ่งที่มันฝึกได้นะจากการเข้าคิวนะจากการต่อแถวต่อแถวจะเป็นนิสัยดูใจไปตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกคลึงนิ้วไประหว่างที่คอยอย่างวัดเราก็คอยนะคอยตักอาหารก็ดูใจตัวไปหรือดูกายก็ได้ระหว่างที่ครึงนิ้ว ก, นะก็รู้กายที่มันครึงนิ้ว หรือว่าดูใจที่มันมีความอยากนะความเร่งความรีบความร้อนความรนนะดูไปนะอันนี้แหละงนการเข้าคิวต่อแถวนี่ก็เป็นการปฏิบัติทำได้นะไม่ใช่เป็นแค่การสร้างนิสัยที่ช่วยทำให้เกิดความเจริญ ง, งอกงามในชีวิตอะ่ะเตรียมรับพร